ภาวนาจับหลักให้แม่นนะมันจุดสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราปรับจิตของเราได้ถูกหรือเปล่าเราปรับจิตใจไม่ถูกนะคล้ายๆพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้จริงนะเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จริงเป็นผู้รู้เนี่ยพูดง่า ย, ยแต่ว่า กว่าจะเกิดตัวผู้รู้บางคนใช้เวลาน้นบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวคือถ้าไม่เคยเรียนเรื่องจิตสิกขาไม่รู้เรื่องจิตสิกขาก็พัฒนาตัวจิตเป็นผู้รู้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะคิดเอามักง่ายว่าต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ท่าสอนหลักของไตรสิกขามีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิลกขาเรียนแล้วเราก็ได้ศีลมีศีลอัตโนมัติจิตสิกขาถ้าเรียนแล้วเราจะรู้จักสมาธิหลายอย่างสมาธิบางอย่างเป็นสมาธิที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิเกือบทั้งหมดที่เขาทํากันนั่นอ่ะเป็นมิจฉาสมาธิมันนั่งกันให้เป็นให้ตายมนก็ไม่บรรลุมรรผลอะไรหรอก สมาธิที่ดีมัมีสองแบบสมาธิอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ทำงานทางโลกสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เจริญปัญญาทำมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องมีสมาธินะถ้าได้อย่างเดียวก็เอาอย่างหลังนี่แหละสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ทำได้สองอย่างดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่ไม่ทํามิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งไม่ทําสมาธิเลยอยู่ๆก็โดดไปเจริญปัญญาเลยไม่เคยเรียนเรื่องจิตศกขานะอย่าก็สมาทานศีลเสร็จแล้วก็กําหนดรูปกําหนดนามไปเลยก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามเพราะไม่ได้ปรับจิตให้มีคุณภาพสําหรับการเจริญปัญญาซะก่อน เงั้นที่หลวงพ่อจำจีจำชัยพวกเรานะพูดมาแต่แรกเลยไม่เผลอไม่เพ่งเลยนะแต่ก่อนคนหัวเราะเยอะด้วยซ้ํำไปพวกนักปฏิบัติที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะหัวเราว่าสอนอะไรทําไมไม่สอนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ทํานะมันมาไม่ถึงจุดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จริงหรอกนะบางพวกก็ไม่เข้าใจเอาเลยนะ ไปฟังการปฏิบัติของครูบาอจารย์ท่านพูดถึงผลของการปฏิบัติของท่านอย่างหลวงปู่ดูลท่านพูดถึงสุดสุดท้ายมีพระไปบอกท่านเนี่ยพระอาการตุ ก, กะครูบาอจารย์นั่นแหละครูบาอาจารย์องค์อื่นๆไปหาหลวงปู่ดูลแล้วก็ไปเล่าท่านว่าครูบาอจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แต่และองค์มีเครื่องอยู่ต่างๆกันอย่างหลวงปู่ขาวอย่างหลวงปู่เทศเนี่ย อยู่กับเมตตาปัมมัญญาเนี่ยเมตตาสูงคนก็ชอบนะคนก็ไปหามากอนะไรเงี้ยแต่ละองค์ก็มีเครื่องอยู่ต่างๆกันบางองค์มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ไม่ยุ่งกับใครอย่างหลวงปู่หลวงปูนะ่สามทําแต่สมาธิสงบไม่ยุ่งกับใครไม่พูดเลยวันวั น, วนนะเ ข, เขาก็ถามว่าหลวงปู่ดูลอยู่กับอะไรท่านบอกเราอยู่กับรู้นะท่านก็ถามว่าที่หลวงปู่ว่าอยู่กับรู้นะั้นเป็นยังไง ไม่เข้าใจหลวงปู่บอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่เครื่องอยู่ของพระอรหันต์นะมันไม่ใช่เครื่องอยู่ของพวกเรามไม่ใช่วิธีปฏิบัตินละมันเป็นที่ที่ว่าท่านภาวนาแล้วท่านไปอยู่ตรงนี้ท่านสบายของท่านสงบสบายมีความสุขรู้ตื่นเบิกบานนะ ใจไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาในบางคนฟังแนละ้วก็ไปเอาปลายเหตุปลายปลายทางนะจะมาทาพยายามจะทำจิตให้ว่างให้สว่างให้บริสุทธิ์ให้หยุดความปรุงแต่งให้หยุดการสแสวงหาให้หยุดกิริยาของจิตให้มันไม่มีอะไรเลยไม่ให้เหลืออะไรสักอย่างพยายามจะไปทำผลต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลไปทำผลทำไม่ได้ ต้องทําเหตุเหตุคืออะไรนะเหตุก็คือการเจริญอริยมรรคมีศีลสมาธิปัญญานั่นเองฝึกใจสิกขาให้มากแล้วจะได้ศีลที่ถูกต้องได้สมาธิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้องในขั้นเจริญปัญญานะอย่างหลวงปุ่ดูลท่านก็สอนอย่างขั้นสมาธินะท่านจะสอนไว้เยอะแยะเลยตามจริตนิสยัยรูกศิษย์แต่ละคน บางคนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวนี่สอนหลวงพ่อคืนบางคนสอนให้ดูกระดูกนี่สอนหลวงพ่องานดูกระดูกนะบางคนท่านก็ให้พุทโธแล้วก็คอยรู้จิตที่เป็นคนท่องพุทโธนี่หลวงพ่อลืมชื่อไปแล้วคนนี้เป็นโยมนะตอนั้นเรียนกับท่านตั้งแต่อย่างเด็กๆท่านสอนให้พุทโธแล้วก็คอยรู้จิตที่ท่องพุทโธสำหรับหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนสมถะ หลวงพ่อทาสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วทาสมถะเป็นอยู่และท่านเลยต่อยอดขึ้นปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยท่านก็ดูอีกนะบางคนเดินมาทางกายอย่างหลวงพ่อสุจินเดินมาทางกายท่านก็บอกสลายกายเข้าสู่จิตให้ดูกายต่อไปนะจนกายมันสลายหมดเลยเข้ามาที่จิตเดินอย่างนี้ก็ได้ ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตตรงๆเข้าไปเลยหนะมู่อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอะไรเห็นอริยสัจแห่งจิตคือเห็นว่าถ้าจิตส่งออกนอกก็จะเป็นเหตนะุมีผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมักมักก็เป็นตัวเหตุนะแล้วก็จะได้ผลคือนิโรธคือพันิชภานเป็นเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผล มีตัณหาเป็นเหตุนะก็มีทุกข์เป็นผลมีมรรคเป็นเหตุนะก็มีนิโรธมีนิพพานเป็นสิ่งที่จะได้มาเป็นผลเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตดูใจไปเลยท่านเวลาสอนดูจิตในขั้นจเจริญปัญญาแล้วท่านจะบอกว่าจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปคำว่ายานยานคืออะไร ญาณาก็คือความอย่างรู้เป็นชื่อของปัญญาเพะนั้นตัวที่ท่านให้ไปเห็นจิตนะท่านให้เห็นด้วยปัญญาเวลาที่เราดูจิตดูใจหรือดูกายก็ตามนะมันดูได้สองอย่างอันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจอันนี้เป็นสมถะถ้ารู้ด้วยปัญญานีก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใจ งั้นหลวงปู่ดูลสอนให้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตัวจิตนะถ้ารู้ถึงตัวจิตดูความมีอยู่ของจิตประคองจิตรักษาจิตเป็นสมถะท่านบอกให้มียานเห็นจิตยานคือปัญญาแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของจิตเวลาเห็นจิตเห็นยังไงเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยท่านพูดถึงสภาวะที่เป็นปรมัติทั้งหมดเลยนะตาเป็นปรมาที่เรียกว่าจักคูประสาทตา เป็นรูปรูปว่าเป็นรูปธรรมเป็นเป็นแสงเป็นสีเป็นตัวรูปตาเห็นรูปตาไม่ใช่เห็นคนตาไม่ได้เห็นสัตว์ตาไม่ใช่เห็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นภูเขาแต่ตาเห็นรูปนะเพราะฉะนั้นตัวจริงที่เรามองเห็นคือตัวรูปส่วนรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนี่เป็นสมมุติบัญญัติเพราะน้นที่หลวงปู่ดูลบอกให้ให้เห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะ คือเห็นสภาวะประมามัตธรรมของจิตเนะทียบกับเหมือนที่ตามองเห็นรูปไม่ใช่ตาเห็นคนเห็นสัตว์เพราะั้นเวลาเห็นจิตเนี่ยนะจะเห็นถึงว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นสภาวะธรรมของมันสภาวะธรรมนั้นจะสอนไตรลักษณ์เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับงัายคาพูดของครูบาอาจารย์แต่ละคํามีความหมายนะอย่าไปคิดมั่วซั่วบางคนเอาอ้างว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วเรียนมาได้นิดเดียวเรียนได้แต่สมถะ คือชับโฉงจิตออกนอกหลวงปู่ก็เลยสอนบอกว่าให้ประคองจิตอยู่ภายในสงบอยู่อย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะไม่ให้ออกนอกไม่ไปยุ่งคนอื่นรักษาจิตสงบอยู่ภายในนะเรียนเท่านี้นะเราก็คิดว่าหลวงปู่สอนอยู่เท่านี้ก็คิดว่าจบหลักสูตรของหลวงปู่ไอ้นี่เป็นแค่สมถะเท่านั้นเองนะงั้นเวลาไปเรียนจาหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ฟังท่านแล้วก็จบหลวงพ่อจะเข้าไปหา ลูกศิษย์หลวงปู่คนอื่นๆตั้งแต่ระดับที่เป็นครูบาอาจารย์รองจากหลวงปู่ลงมานะองค์ไหนที่ท่านพูดถึงเขาก็าไปเรียนไปฟังนะแล้วก็ไปถามทางพระทังโยมและที่เป็นลูกศิษย์ท่านว่าท่านสอนอะไรก็เลยรู้ว่าหลวงปู่สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนหลวงพ่อก็ไม่สอนเหมือนคนอื่นนะคนที่หลวงปู่สอน เหมือนกับที่สอนหลวงพ่อมีองค์เดียวคือหลวงพ่อพุทธานิโยมนะสอนถึงว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงให้ดูเข้าไปที่จิตเลยดังนั้นะคำสอนของหลวงปูนะ่น่าหลากหลายกว้างกวางมากเลยท่านสอนตามจริยนิสัยคนนี้ควรทำสมถะโดวยวิธีนี้ก็สอนอย่างนี้นะคนนี้ควรเจริญปัญญาด้วยวิธีนี้ก็ให้เจริญอย่างนี้อย่างสอนหลวงพ่อสุจินเจริญปัญญาดูกายก่อน สอนหลวงพ่อเนี่ยให้ดูจิตเข้าไปเลยนะจะแตกต่างกันตามเฉลี่นิสัยตามพื้นเดิมหลวงพ่อสุจินนะเดิมไปลูกศิษ์หลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยจันทสารโรหลวงปู่หลุยก็ลูกสิษ์หลวงปู่มั่นนั่นแหละท่านเรียนจากหลวงปู่หลุยก่อนหลวงปู่หลุยสอนมังกายฉีกร่างกายเป็นส่วนๆแยกไปนะ แยกร่างกายผมไปกองนึงเล็บฟันหนังเื้อยกระดูกฉี ก, ก, ก, กเป็นส่วนๆ น, นะแล้วก็มดจิตเผามันไปเลยให้มันสลายไปให้หมดเลยพอสลายไปหมดแล้วก็มาแยกจิตแยกเดชสิกต่อนะแยกความสุขความทุกข์แยกดีแยกชั่วนะค่อยๆหัดจริงๆคือหัดแยกขันนั่นเองสนะอนอย่างนี้สุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตแล้วก็เดินวิปัสสนาตัวจริง นร่หลวงพ่อสุจินเรียนอย่างนี้แล้วก็พอไปหาหลวงปูด่ดุลนะหลวงปู่สอนได้ยินหลวงปู่สอนคนอื่นนะก็เกิดศรัทธาอยากบวช<ม>ก็ไปหาหลวงปู่หลุยเห็น<ม>ไหมท่านงามเห็นไหมท่านลูกสิษย์หลวงปู่หลุยนะเรไปเรียนจากหลวงปูด่ดุลแล้วอยากบวชกับหลวงปูด่ดุลเนี่ยไปบอกหลวงปู่หลุยไม่ใช่ทิ้งอาจารย์แล้วดูถูกอาจารย์นะว่าได้อาจารย์ใหญ่กว่าแล้วเหยียบอาจารย์เก่าไม่มีเลย เข้าไปลาท่านไปถามหลวงปู่หลุยว่าถ้าผมจะไปบวชกับหลวงปู่ดูลจะได้ไหมหลวงปู่หลุยบอกว่าท่านรู้จักหลวงปู่ดุลสมัยเดินธุดงนะเคยรู้จักกันอยู่นะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีอนุญาตเนะี่ยท่านสุจินหลวงพ่อสุจินเลยได้มาบวชกับหลวงปู่ดุลพอเข้าไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลเลยสอนเลยสลายกายเข้าสู่จิตไหมท่านรู้พื้นเดิม ท่านรู้โดยไม่ต้องถามหรอกนะเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์ที่ไม่เคยเจอองค์อื่นอย่างครูบาอาจารย์อื่นเนี่ยถ้าเราไปถามกรมรมฐานเนี่ยถ้าท่านเคยทำแบบไหนท่านจะสอนแบบนั้นเคยทำมาแบบเนี้ยฉันก็เคยพุโทโธพี่ักกายจะสอนแต่พุโทโธพี่ักกายหลวงปู่ดุลย์เวลาเราเข้าไปกราบไปหาอยากเรียนกรมรมฐานเนี่ยท่านก็สอนให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน งั้นถ้าทำตามที่ท่านสอนนะั่นก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยไม่เชื่อท่านนะก็ไม่พัฒนาหรอกเป็นเรื่องอัศ จ, จรรย์จริงๆอย่างหลวงพ่อคืนถ้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกให้ดูผมเส้นเดียวให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนบอกว่าน้อยใจหลวงปู่มากเลยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะคนอื่นนะ่าสอนเยอะแยะเลยสอนเราบอกให้ดูผมเส้นเดียวเล็กนิดเดียวไม่เอานะ ไปภาวาอยู่หินหมักเต้งตั้งพรรษาหนึ่งไม่ได้อะไรลกลับมาสุรินทร์กลับมาอยู่บ้านตอนนี้นยังไม่บวชแล้วก็สุดสติสุดปัญญาแล้วดินรนคน้นคว้าเต็มที่แล้วทำไงก็ไม่ได้นึกถึงไอ้คำว่าผมเส้นเดียวได้ไปดูผมนึกถึงผมนะท่านยังมีผมอยู่ท่านจับผมผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ตรงที่เห็นผมว่ามีรูปร่างอย่างนี้คือกสินนะกะสินดิน ผมมีสีอย่างนี้คือกสินสีนะดูไปเรื่อยมีกลิ่นอย่างนี้มีอย่างนี้นะดูความเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของเส้นผมจะได้อะไรอันนี้ได้วิปัสสนาไหมได้สมถะจิตรวมเลยจิตรวมแล้วก็เดินปัญญานะเดินปัญญาต่อดูกายดูใจต่อท่านก็เข้าใจธรรมะขึ้นมา สมัยที่หลวงปู่ดูอยังอยู่เนี่ยที่เมืองสุดินนะมีลกูกศิษย์ผู้ใหญ่อยู่สององค์คือหลวงพ่อคืนจะหลวงพ่อกิมสององค์นี้สอนไม่เหมือนกันหลวงพ่อคืนเนี่ยจะสอนจิตเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้นแก้อาการหลวงพ่อกิมให้รู้อย่างที่มันเป็นนะสององค์นี่ไม่เหมือนกันหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ หลวงปู่ครับถ้าผมไม่มีโอกาสได้ศึกษากรรมาฐานกับหลวงปู่เนี่ยผมควรจะไปเรียนจากใครแค่พูดคนเดียวเลยนะหลวงพ่อกิมอย่างเี้ยหลวงพ่อกิมเสร็จแล้วล้วก็พอหลวงปู่สิ้นไปนะคราวนี้แยกเป็นสองค่ายเนะมืองสุรินท์พวกที่ชอบเล่นสนุกนะก็ไปหาหลวงพ่อคืน พวกที่ภาวนากันจริงๆนะไปอยู่กับหลว ง, งพ่อกิมหลวงพ่อที่เข้าไปวัดหลวง พ, ง พ, นนอพ่อคืนหลวงพ่อคืนเขาบอกเฮ้ยวิธียงนั้นใช้ไม่ได้เราไปทางวัดหลวงพ่อกิมอ้วิธียงนั้นไม่ถูกหรอกมันต้องรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นสิไม่ใช่ไปแก้อาการนั่นสอนอย่างนี้นะลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยกันนะแต่พอนําให้เหมือนกันหรอกคือพอ ความรู้ความเข้าใจต่างกันนะแล้วไม่ลงกันไม่ลงกันก็เลย แ, แยกพวกกันหลวงพ่อเลยอ่าไม่ไหวแล้วอ่ะมาทางนี้นะไม่รู้จะไปเข้าข้างไหนหลวลงปู่สั่งให้เล่นกับหลวลงพ่อกิมนะเราได้หลักนะแล้วกเลยขึ้นไปพอนาอยู่หินมักเป้เงไม่มาทางสุรินเลยหลายปีเนละนะยจนกระทั่งตอนหลังๆได้ยินว่าท่านเริ่มอ่อนลงหลวงพ่อคืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลเข้าไป ท้ายท่านบอกนะประโมทดเราพลาดแล้วท่านบอกอย่างี้เพราะว่าไปแต่งจิตทุกวันนี้โลกสิธิ์ลงปดุลก็มีนะพวกแต่งจิตนะก็แต่งจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตให้สงบอยู่ภายในนิรันดรเรื่องแต่งจิตนะไม่เข้าใจหรอกว่าหลวงปู่สอนอะไรโอ้สนุกนะภาวนา กำลังไปถามหลวงพ่อกิมต่อนะหลวงพ่อคืนสิ้นไปแล้วตอนนั้นหลวงพ่อคืนไปก่อนหลวงพ่อกิมก็ตายโอ้ทั้งเมืองสุรินท์หมดอาจารย์แล้วเหรอเลยไปถามพระอุปัฏฐากของหลวงพ่อกิมว่าหลวงพ่อกิมเคยบอกไหมว่าให้ไปเรียนกับองค์ไหนในเมืองสุรินท์เนี่ยเพราะว่ามีองค์เดียวคือหลวงตาผนึกนะ อยู่ที่ไหนอะถามเส้นทางนะเพราะนั้นไปภาวนาไปกับญาติญาติญาติแม่ชีญาอะไรเนี้ยไปด้วยกันพอรู้ทางแล้วก็ไปหาหลวงตาผนึกอยู่บ้านเก๋าสีนรินไปถึงวัดท่านนะเงียบเลยเป็นป่าเงียบเงียบมองเข้าไปเลยไม่มีคนมีแต่โยมผู้ชาย แก่ๆหน่อยสามคนนั้นกำลังกวาดได้ถุนกุติอยู่กวาดกวาดกวาดแล้วก็เข้าไปทำลวงตาผนึกอยู่ไ้ยอยู่เดี๋ยวมากวาดกวาดนะกวาดเสร็จเอาเสือปูอเชิญ น, นั่งแล้วก็นั่งรอนะรออยู่นานยังไม่เจอสักทีท่านอยู่ในห้องหรือเปล่านะอะไรเงี้ยดูแอบดูในห้องก็ไม่มี มันจะไปยากอะไรห้องท่านเป็นฝาไม้กระดานแอบดูง่ายหรอกก็แอบดูไม่มเออีเสร็จแล้วเห็นโยมพวกนั้นเดินไปเดินมาอยู่พ็ไธรรมในโลงตาพันเอกบอกให้รอร อ, รอยังไม่มาอยู่ในห้องเหรอไม่ไม่อยู่อีกวัดหนึ่งเขานี้หมดไปอีกวัดหนึ่งนะแต่พอเช้าขึ้นมาเนี้ยท่านก็สั่งโยมพวกนี้ว่า หรีบขี่รถเครื่องนะมาที่วัดท่านไปกวาดพื้นไว้นะแล้วเอาเสือปูเอาน้ำมาเลี้ยงนะวันนี้จะมีคนมาให้มาเตรียมรับไว้ก่อนแล้วตัวท่านเนี่ยไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนี้ท่านกาลังเดินตัดทุ่งมายุกแปดสิบกว่านะกำลังเดินตัดทุ่งจากวัดโน้นกำลังรีบมาเหมือนกันให้รอโอ้โหท่านแน่จริงแฮเราไม่ต้องนัดหรอก เราจะไปหาก็รู้ลนะพอท่านเดินเข้ามาในวัดนะยกนิ้วมาเลยเราชอบใจเราชอบใจนะเราชอบใจนะขกาสอนหลวงพ่อนะไม่ได้สอนอะไรมากหรอกท่านบอกหลวงพ่อว่าท่านบอกหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่ถูกแล้วนะทําไปอีกนะจะ ก, ก้าวหน้ากว่านี้อีกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกนะ ในชีวิตนี้ไม่หยุดอยู่เท่านี้หรอกให้ทำไปอีกนะแล้วท่านเก่งนะท่านจะรู้อนาคตตรงนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็สอนหลานคนหนึ่งนะที่ไปด้วยเพิ่งสอบหมอได้มันกำลังนึกว่าฉันเก่งฉันเก่งท่านก็สอนอย่านึกว่าฉันสวยอย่านึกว่าฉันฉลาดอย่านึกว่าตัวเก่งคนอื่ น, ะนเขาเก่งกว่าเราก็มีนะขนะ้านขูอใยญ่ยเลยนะ เส็จแล้วถามท่านทำไมหลวงตารู้ว่าจะมีคนมาล่ะโอ้ยเราเราฝันไปเราฝันสไตล์เดียวกับหลวงพ่อพุธนะอย่าอ้างฝันไว้ก่อนฝันมันปว่าภาษาแขนว่านิมิตใช่ไหมฝันเรียกว่านิมิตถ้าพูดกลางๆนะจะบอกว่ามีนิมิตก็เดียวว่าอวดอุตรีอีกเราฝันไปว่ามีปลาว่ายน้ำมาหาเรานะตัวใหญ่มากเลย แล้วก็มีปลาเล็กๆแล้วก็มีปลาตายด้วยต้องมองหน้ากันใครเป็นปลาตายตอลังๆไปหาท่านนะท่านจะเจอหน้าหลวงพ่อท่านจะพูดทุกทีเลยชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกําลังนะประโมดนะอย่างนี้เราก็นึกเราอจะไปสู้กับใครวะเราไม่เคยคิดจะไปสู้กับใครนะเจอหน้าที่ไรชีวิตคือการต่อสู้ทุกทิเลย แล้วศัตรูเป็นยาชูกําลังดีนี่เลยแข็งแรงมากเลยนะนี่ยความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์แต่และองค์นั้นจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านไม่มีความสงสัยซึ่งกันและกันนะแต่พวกที่ไม่เข้าใจภูมิธรรมต่ตํากว่าเนี่ยสงสัยคนที่เหนือกว่าได้บางทีสงสัยว่าเขาไม่รู้ด้วยซําไปว่าเขาพัฒนาไม่เป็นหรือเขาทำไปอย่างนั้นก็มีนะงั้นเราต้องค่อยๆสังเกตเอา อย่าไปเหอรพระรหันต์นะใครเขาเหอรพระรหันต์อย่าไปโง่ขนาด น, ะนั้นนเชื่อคนง่ายต้องสังเกตเอาภาวนาให้แม่นซะ ก, ก่อนรู้หลักให้แม่นแล้วเรายังไม่พลาดงันหน้าที่เรานะรู้หลักให้แม่นทางใครทางมันอะไรที่ทําแล้วสติสมาธิปัญญากเกิดให้เอาวิธีที่สติจะเกิด ก็คือการหัดรู้สภาวะบ่อยๆคนไหนาหายใจแล้ ว, ลวนนททรูว้ ส, ททรนนสึกตัวได้บ่อยหายใจไปคนไหนพุทโธแล้วรู้สึกตัวบ่อยพุทโธไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยไม่หลงยาวาหายใจดูท้องพองยุบไปนะคนไหนเดินจงกรมแล้วรู้สึกตัวบ่อยไม่หลงยาวก็เดินจงกรมไปทางใครทางมันนะคนไหนแผ่เมตตาแล้วรู้ตัวได้สติเกิดบ่อยๆรู้เนืรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทํา แต่ละคนต้องดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับสําหรับเราเกับเหมาะกับคนอื่นกรรมฐานที่เหมาะกับคนอื่นไม่ใช่ไม่ดีมันดีสําหรับคนอื่นนะและกรรมฐานที่ดีสําหรับเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนอื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยไม่ได้จัดสอนแบบเดินพร้อมกันนั่งพร้อมกันกินพร้อมกันนอนพร้อมกันใช้ย คนไหนถนัดนอนกลางวันนอนไปเลยไปตื่นกลางคืนภาวนาเนี่ยคนไหนถนัดภาวนากลางวันก็ภาวนานะไปนอนกลางคืนนีคนไหนกินข้าวมากๆแล้วภาวนาดีกินข้าวไปคนไหนอดข้าวแล้วภาวนาดีก็อดข้าวไปนะคนไหนนอนแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นภาวนาดีก็นอนคนไหนอดนอนแล้วภาวนาดีก็อดนอนนะดูตัวเอง ทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอย่างนั้นอย่าเอาตัวของเราอย่าเอาหลักสูตรของเราไปครอบหัวคนอื่นแล้วนะมันจะพลาดอย่างแรงเลยทุกคนเดินพร้อมกันกินพร้อมกันนั่งพร้อมกันทำอะไรท่าเดียวกันไอ้นั่นมันโยธาทิธแล้วมันไม่ใช่กรรมฐานนะเดินพร้อมๆกันยกขาพร้อมกันเลนมันแบบโยธาทิธิแล้วนะกรรมฐานนะทางใครทางมัน แล้วมันดีสําหรับเขาอย่าไปประมาสว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ฉลาดหรอกวิธีนั้นเหมาะกับเขาก็ดีกับเขาไม่เหมาะกับเราก็คือไม่ดีกับเราแต่ไม่ใช่วิธีของเราดีกว่าวิธีเขาแต่ว่าทุกวิธีต้องแม่นหลักเป็นอันเดียวกันไม่มีคลาดเคลื่อนหรอกคือถ้าหากเห็นสภาวะบ่อยจิตจาสภาวะได้แม่นสติเกิดนี่คือหลักชพุโทโธพุโทโธ จิตจำพุทธโธได้แม่นผนะิดลืมพุทธโธไปแล้วก็ะระลึกได้อย่างรวดเร็วนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้หายใจไปนะแล้วจิตจำสภาวะของร่างกายที่หายใจได้แม่นพอลืมลมหายใจนะพอหายใจปุ๊บความรู้สึกตัวจะกลับมาเองอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นดูตัวเองรู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นเนี่ยฝึกให้มีสติ การฝึกให้มีสมาธิต้องฝึกสมาธิถูกชนิดถ้าต้องการพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องต้องดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนี่เคล็ดลับอยู่ที่ต้องดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์ น, นั้นอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหายใจแล้วมีความสุขก็ขข อ, อยู่กับลมหายใจได้อะไรได้สมาธิชนิดสงบ ถ้าต้องการชนะสมาธิชนิดตั้งมั่นเอาไว้เดินวิปัสสนาก็ทำกรรมฐานเดิมกับสมาธิสงบนั่นแหละแต่แทนที่จะน้อมจิตให้ไปสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นนั้นก็เปลี่ยนใหม่มาคอยรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตศิกขาอย่างหลวงพ่อหายใจเคยหายใจแล้วมีความสุขก็สงบทำสมาธิพักผ่อนต่อมาจะพัฒนาขึ้นมาสู่สมาธิตั้งมั่นก็หายใจไป แต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเพื่อความสุขความสงบอีกต่อไปแล้วหายใจแล้วคอยรู้ทันจิตหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติงั้นเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเพราะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนคนไหนถนัดพุทโธเคยพุทโธแล้วมีความสุขสงบอยู่กับพุทโธก็พุทโธต่อไปแต่ปรับนิดนึงพุทโธแล้วรู้ทันจิต พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้พุทโธพุทโธจิตไหลไปว่างๆอยู่รู้เนี่ยจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ใช่หลักเดียวกันเคยดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขจิตสงบอยู่กับท้องก็ปรับนิดหนึ่งดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้ไอ้แม่หลักเดียวกันหลักต้องแม่นนะถ้าหลักแม่นเรากรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ตามจริตนิสัยแต่ละคนนะงั้นเราต้องฝึกนะ ถ้าเราต้องการความสงบต้องการพักผ่อนนะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในรมกรรมฐานอันเดียวที่อยู่แล้วมีความสุขน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์หายใจไปให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวเดียวก็สงบถ้าเราต้องการให้จิตตั้งมั่นเราก็รู้ทันจิตที่ไหลไปนะพุทโธจิตไหลไปก็รู้หายใจจิตไหลไปก็รู้ไหลไปได้สองอย่างนะไหลไปคิดอันนึงไหลไปเพ่งอันนึง ไหลไปคิดก็รู้ท่านไหลไปเพ่งก็รู้ฐานรู้ฐานจิตไหลจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเดินวิปัสสนาเดินวิปัสสนาเนี่ยแยกรูปแยกนามนะหัดแยากกายแยกใจออกไปบางคนถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆแล้วนะขันแยกเลยแยกเองอันนี้พวกที่มีบา ร, รมีเก่าเคยเดินปัญญาพวกที่ไม่เคยเดินปัญญามาก่อนก็ช่วยมันนั่งไปนั่งให้ทนทนนะ นั่งแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใช้เป็นคนดูนั่งไปเรื่อยเรือยทั้งมันรู้รู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายกับใจนี่คนละอันกันอย่างนี้เป็นการฝึกแยกขันร่างกายกับใจเป็นคนละอันแล้วก็นั่งไปอีกอย่าเพิ่งกระดุดคดให้มันปวดแล้วเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายก็อันนึงความเจ็บความปวดก็อันนึงจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกอันนึงนี่ก็หัดแยกไป ปวดมากๆนะจิตกระวนกระวายความปวดอยู่ที่ขาความกระวนกระวายอยู่ที่จิตเพราะนความปวดกับความกระวนกระวายใจนัาา้นคนละอนกันเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารละขันเราแยกค่อยๆแยกไปความกระวนกระวายเกิดกับจิตก็ จ, ตกจริงแต่ไม่ใช่จิตออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดไปร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสุขทุกข์ก็จิตไปรู้เข้านะ ความกวนก歪ก็จิตไปรู้เข้าตัวจิตก็จิตไปรู้เข้าอีกเห็นจิตนะเกิดดับได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตรงที่เราแยกขันได้แล้วเนี่ยดูขันทํางานขันเขาจะทํางานให้ดูเองนะไม่ต้องทําอะไรแล้วในขั้นนีนะ้แต่กว่าจะมาถึงขั้นนี้ต้องฝึกกันนานนะกว่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้กว่าขันจะแยกนะ ถ้าจิตตั้งมั่นได้นะัขันจะแยกไม่ยากเท่าไหร่นะขันแยกแล้วขันยังไม่ต้องทําอะไรหรอกตูขันมันทํางานขันนั่นแหละจะสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้นะรูปนามนั่นแหละจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่ารูปเป็นไตรลักษณ์นามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละธรรมะก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เห็นอย่างอื่นไม่ได้รักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง แต่เห็นทุกอย่างแสดงใจรักนะดูไปนะใครรู้ทันนะรู้ใครฝึกนะสุดท้ายขันจะสอนเราว่าอะไรสอนว่าขันเป็นไจรักเนี่ยอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาตัวจริงสุดท้ายจิตจะปล่อยขันนะปล่อยวางขันปล่อยวางขันได้ก็พ้ น, น, นแะไรถึงพระนิพพานนั่นแหละงันดูขันแสดงใจรักให้มากนะถ้าดูไม่ออก ก็ไปทำความสงบให้มีแรงขึ้นมาก่อนทำความสงบนะให้มีแรงพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ขยบจิตให้มาให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูขันมันทำงานถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าดูจิตไม่เห็นให้ดูกายเพราะกายเป็นบ้านของจิตมาเฝ้าบ้านไว้เดี๋ยวก็เห็นเจ้าของบ้านคือเห็นจิต ดูกายเขไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทําความสงบหายใจไปพุโทโธไปให้จิตมีความสุขมีความสบายพอมีความสุขแล้วจะมีได้พักผ่อนมีแรงขึ้นมานะก็จะกลับไปดูจิตดูกายได้อีกเนะนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้ตอนที่ดูจิตดูกายเนี่ยใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นเนะนี่ยฝึกนะกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วแต่พวกเรานะแล้พอถึงขั้นวิปัสสนาตัวจริงไม่มีสายกายไม่มีสายจิตไม่มีต่อไปแล้ว อารมณ์ทางกายเด่นสติะระลึกรู้อารมณ์ทางจิตเด่นสติะระลึกรู้สติเป็นคนรู้เองไม่ใช่เรารู้นะสติมันจะเลือกรู้กายเลือกรู้จิตมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่พอรู้แล้วจะเห็นอันเดียวกันคือเห็นไตรลักษ์รู้กายก็เห็นไตรลักษ์รู้จิตก็เห็นไตรลักษ์นั่นจะแจ้งว่าทุกสิ่งนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษ์นะงั้นไม่มีนะสายกายสายจิตในขั้นวิปัสสนาแท้ๆไม่มีหรอกนะเราสั่งไม่ได้ว่าให้รู้แต่กายสั่งไม่ได้ว่าให้รู้แต่จิตนะ ไม่ได้มีการสั่งจิตอีกต่อไปแล้วจะแต่ดูให้จิตมันทำงานไปเอาไปกินข้าวไป